ไม่รู้นักเรียนกับครูใครจะแน่กใครนะความจริงคนพูดนี่น่าจะเมื่อยของคนฟังนะเราะวอาคนฟังเนี่ยว่าเล่นแ่ยงยอมแพ้คนพูดว่าไม่ได้เล่าไม่วากันไม่วากันร า, ายการ้าเย็นอกหนึ่งชัวโมงนะเย็นนี้ก็คุยคุยกันเลยกั น, นะละครไทยสารานพัฒน์สวัสดีครับ คุยกันตอนท่านเย็นสักชั่วโมงนึงออีกประมาณสองเรื่องเรื่องประมาณสองเรื่องเอาจริงจะว่าสองว่าให้เรื่องเดียวนะอ่าเ้าเรียกว่า3ามเลยก็ได้ถามเรื่องภ <c oughs> <c oughs> ายในหนงชั่วโมงหลังจากลองดูว่ามันจะลงได้ไหมเราจะพย า, ายามพยาาติดเครื่องจ้านี้ผู้ฟังตกใจนะเมื่อไรเลิกปวดมลเมื่อไเลยอ่า เมื่อกี้พูดต่อเนื่องจากเรื่องโรคผมสามหน้าโรคภมสามหน้าเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นอยู่สองกรณีนะอันนี้จะได้พวกเราจะได้เข้าใจว่าจะใช้ว่าจะดีไห้จะเหมาะไหมจะเห็นอย่างไรจะลองจะาบ้งไหมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะเนี่ยเขาจะใช้กับคนทั่วไปนะซึงเป็นคนดีหรือไม่ดีประมาณนึงประมาณนึง มันจะมีคนกลุ่มสองกลุ่มที่ใช้ไม่ได้นะตรงนี้ต้อ ง, อ ง, องเราต้องรู้จักเกียบหมูดตรงนี้ด้วยนะครับจะมีสองกลุ่มที่ใช้ไม่ได้ 1. นงนะครับกลุ่มเด็กใกล้เดียงสา สมเด็กไรเดียงสาเลยอย่าไปพูดนะว่าจะดีไหมจะเหมาะไหมจะเห็นอย่าง <g ül> เด็กไรเดียงสาไม่รู้เรื่อง <g ül> มันไม่รู้เรื่องนะพระเจ้าบอกว่าถ้าเด็กไรเดียงสาคือเด็กมันไม่รู้เรื่องเรื่อราวแล้วมันกำลังจะเกลื่อนกับเบื้องหรือเกลื่นมีกนเข้าไปเนี่ยตัวไม้ท่านบอกว่าจะให้ทําไง มันบอกบีบคอแล้วเลยดึงออกมาบีบคอแล้วก็ดึงออกมาเลยนะอย่าไปจะดีไม่จะหมอไม่องั้นนะไม่รู้เรื่องตอนนี้มันจะขึ้นลงไปนะช่วยชีวิตเขาก่อนนะในคนที่ไร้เดียงสาจริงๆเนี่ยถ้าเรามีฤทธิ์มีอำนาจมีฤทธิ์มีเดชมีองค์ประกอบไปช่วยเขาได้ช่วยเขาเลยโดยที่ไม่ต้องไปถามอะไรบีบคอดึงออกมาอามิดโกนออกมาก่อนมันดัดจบาดคอเขาบ้างอะไรบ้างมันแบบจะยังไงก็ชุบชีวิตเขามาก่อน โตขึ้นก็จะรู้เอ ง, งนั่นแหละจะเป็นกลุ่มเด็กใกล้เด็กสารีนบางทีก็อาจจะต้องอใช้วิธีที่เขาแม้เขาไม่เต็มใจแต่ถ้ามันเป็นอันตรายเขาเกินไปเราก็สามารถบังคับได้นะเมื่อท้านสมควรนะเราก็ดูอย่างนั้นแล้วทั่วไปเราก็ไม่ทำเราไม่ทำอีกประเด็นหนึ่งนะอีกประเด็นหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มคนอีกประเด็นนึงเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เลวเกินไป เร็วเกินไปก็คือทําความเร็วความร้ายความเดือดร้อนให้กับตัวเราครอบครัวหรือสังคมจนเกินไปในคนที่เร็วเกินไปนี่เขาจะไปใช้จะดีไม่จะหมอไม่เขาไปดา่าเขาไปเอา <c oughs> เขาไปฟังเลยนะ <c oughs> เขาทําเร็วอย่างเดียว <c oughs> อย่างเช่นอย่างในชุมชนชาว <c oughs> บุญนิยมของเราเนี่ยนะถ้าสมมุติว่ามีใครเนี่ย <c oughs> ามา ถ้ามีใครเนี่ยมาโกงเงินนะสมมติว่ามาลักขโมยนะมาลักขโมยในชาวชุมชนของเราเนี่ยหรือว่ามาโกงเงินโกงทองอะไรก็แล้วแต่นะทําสิ่งไม่ดีในชาวพุทธิยมเนี่ยเราถือว่าปิดสิน ร, ร้ายแรงนะรักขโมยเราถือปิดสินร้าแรงเราก็ไม่ก่อบของเราอยู่อีกรอบเพราะว่ถ้าปิดศินแล้วทำร้ายแรงเกิดไปทำให้คนอื่นเดืร้อนมากเกินไปเนี่ย เ, เราก็จะไม่พูด<ม>จะดีไม่จะหมอนไม้นะเราไม่ออกเลย <laughs> เราไล่ออกเล่เนี่ย <laughs> อันนี้กรณีเร็วเกินไปเร็วเกินไปที่จะเสียหายสังคมมากเกินไปในขีดที่สังคมนั้นรู้สึกว่าอยู่แล้วสร้างความเดือดรนมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นอยนี้เราจะกดดันต่ อ, อไปนะครับกดดันออกไปไม่ให้อยู่ในสังคมนะครับเป็นเช่นนั้นไม่นะใช่โอ้จะดีไหมจะเหมาะไหมย่างไงแล้วเขาก็ขโมยต่อไปขโวยต่อไปมนะันไม่ได้แร้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยเรายอมรับได้ในความบกพร่องหรือความยังไม่พร้อม ในบางเรื่องบางราวที่เขาอาเสียหายตัวเขาเองประมาณนึงเท่านั้น ไม่ได้เสียหายสังคมมากเกินไปกะถ้าเสียหายสังคมลงมามากเกินไปเนี่ยจําเป็นต้องกดดันออกไปหรืหลายคนจะสงสัยสงสัยเอ๊ะก็ไีหมอจะดีไม่จะหมอไม่เนี่ยทําไมไม่ใช่กับนายกมั่ง <c oughs> บางคนนายกของนัมคนที่แล้วทําไมไม่ใช่มั่งอะไรเงี้ยนะแหมทาไมกองทัพทำไม่ใช่แล้วไปกดดันหน่องไปเลย <c oughs> <c oughs> เงี้ยนะไม่ใช่ล้อกองทัพทำเป็นผู้เเสริมไปช่วยเฉย <c oughs> เห็นว่าเขาทำมาดีก็ไปช่วยคเขาคนก็นี่อย่างนั้นน่ะนะอดีตนายกบางท่านนั้นเขาเร็วรลายเกินไปเขาเร็วลายเกินไปก็คือว่าเขาทำให้สังคมเดือดร้อนมากเกินไปเมื่อทำให้เดือดร้อนมากเกินไปแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะเขาเรียนทําอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยสังคมก็จะเดือดร้อนมากกว่านี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆไม่ใช่เราไม่บอกก็พระจีนบอกกันนะเพราท่านก็บอกนะเพราะท่านสมเด็จพระนเรศวก็บอกลุงจก้องก็บอกมันจะทําเลยจะทำเลย เ, เดี๋ยวทำเลยนีไ่ไม่ดีไม่ดีคนนี้เขาก็ไม่ฟังเขาไม่ฟังแล้วก็สร้างความเดือดร้อนมากขึ้นมากขึ้นก็เลยจําเป็นก็เอาพวกเธอไปช่วยกันแต่จริงๆเนี่ยที่ไปกดดันเขามันไปไล่เขาเนี่นะความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีความโรกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทอะไรเลยนะไม่เข้าเลวร้ายไม่มีจริงๆ อย่างผมก็ไม่ได้มีนะมาอยู่หลายวัน น, ะน้ำหลบแกนน้าตาหลบอะไรกับเขาอย่างนั้นเอ็มเจ็ุดเี่ราหลายวันก็ไม่ได้โกดเกลียดเขานะแกน้าตาเราโดนดูเขาเหมือนกันแต่เราไม่กลัวเรามีน้ำหนักนางหยดซเดียวกันสบายนะจร <c oughs> ิงน้ำหนักนางนะมันเร็วนะพวกเรานี่โดนแกน้ตาโดนอะไรดโอหยดใส่ซ้ำเดียวไม่ถึง10วินาทีมันหายแฉเดียวมัหายแ สบายไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ตอนช้าไปเคยแทบแยกกินกป็นต้มรังเสือกินเป็นเดือนอ่ะโอ้ต้มรังเจอกินเป็นเดือนเราไม่กลัวนะเรามีน้ำมันเขียวกับเต็มเนลามีอะไรอันนี้นะถ้า คือถ้าโยนแก๊สน้ำตาลนะนี่มันคาบพิษแก๊สได้ดีมากนะแก๊สน้ำตาลแบเดียวเลยนสิีีมจะหายคนไข้มาเจอเราก็หย่อนเราโดนเองเราก็หยอดมันจะหายเร็วนะครับพอหายใจไม่ออกมันีเข้าปากเลยนะมันจะหายใจโล่งเลยแบเดียวมันจะหายใจโล่งนะครับมันเร็วนะไอ้นี่เจ้าน้ำสกัดจานางเราไม่ธรรมดานะน้ำสกัดเนี่ยสู้แก๊สน้ำตาได้กับอะไรน้ำมันเขียวน่บางทีน้ำยดเข้าปากเลยแสบมากๆแล้วก็น้มันเขียวามันจะหายเร็วคือพวกเราสู้ได้ สบายแค่น้าตาดิไม่กลัวกันไม่ได้แต่เเจ็ดสิบเก้าโอ้กันไม่ได้เอ็มจ็เก้าดิโต้แขโต้มัอันนี้กันไม่ได้โอ้เราจะทายัางไง ม, ม, มีใช้คาาหลวงพ่อปุวัดน้าตั้งมมผมก็ไปอยู่นะไปอยู่ก็ได้ประโยชน์ดีนะไปอยู่มันมีความรู้สึกว่าผมได้ประโยชน์ของเรื่องหลกัหลกๆนะ น่ออาเกิดจะไปช่วมอเป็นบุญธรรกุศลอะไรต่างๆคนนี้ช่วยรักษาคนไข้ช่วยให้กําลังใจคนนั้นคนนี้ผมก็ได้ประโยชน์จาสองเรื่องหนึ่งตอนไปสุวรรณภูมิเนะี่ผมเป็นทัพแรกที่บุกไป <Okay. S 1> มันไม่มีอะไรจะกินนัะนนะเอ อ, อาหารเจเขาก็ตำรวจเขาสากัดไว้นะเอ้อเร า, ากินเจเราจะทํายังไงนะเรากินข้าวเปล่ากับขนม ป, ปัง <laughs> กินเต้าหู้น้ําเต้าหู้แล้วก็กินไอป้ปลาทองโกนะเออกินมาเยอะกินอาหารขยะขนาดนั้นเลยนะก็อดทนกินเอาแล้วก็วางใจอะวางใจเอาว่าเอาเ อ, อมันไม่มีอะไรกินแต่วางใจเช่นนะได้ฝึกอดทนต่อพิษก็ได้ฝึกขับพิษกินกินไปอย่างนั้นแหละมันไม่มีอะไรเราก็ต้องวางใจอย่างนั้นแหละค่อยไปหาอาหารสุขภาพได้ใช่ไหก็อ ย, อยู่ไปไม่เป็นไรอยู่ไปตั้งแต่ นะแล้วพอ M79 มาตุมต้มตุ้มตุ้มแล้วแต่เชียดไปเชียดมาละอันล้วก็ได้สวจใจตัวเองว่ากลัวตายไหมกลัวตายไหมต้อกก่่าไม่กลัวตาย <S <S เออใช่ได้มันเราวันะน ใ, ใช่ได้ไม่กลัวตาย เกิดใหม่เช่นนี้นะตยแล้วเกิดใหม่ยังไม่อยากสูนย์ตาเกิดใหม่เลยมาช่วยเขาอีกนะมันก็ไม่กลัวตายอะไรก็เช็ครู้สึกดีเราจะได้เช็คกับของจริงบางทีคิดเอาไว้เฉยคิดไม่ได้นะใช่ไหมเราจะกลัวตายหรือเปล่าเวลาใกล้อะไรจริงคราวนี้ไม่รู้จะหมดใส่หม้เราเมื่อไหร่นะตรวจใจตัวเองได้ไปปฏิบัติธรรมได้ไปปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็อย่ที่ว่านั่นแหละนะก็เมตตาเขาสนิทก็เมตตาเขาด้วย ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ไไม่ได้โกรธนะเพราะผมดูใจตัวเองผมก็ไม่ได้โกรธเขาเลยไม่ได้สวดไม่ได้อาฆ่าอดีตนายกทั้งสามท่านเลยไม่ห้อยตัวเดือดกอดเขาไม่อฆ่าเขาไม่ไม่โกรธนะแต่ช่วยเขาสงสารเขาเมตตาช่วยเขานะก็เลยไปช่วยเขานั่นแหละช่วยจริงๆพวกเราน่ยไปช่วยอดีตนายกนะทั้งสามท่าน ช่วยไม่ให้เข้าเร็วไปกวอนเดิมช่วยไม่ให้เขําทำบาปมากไปกว่าเดิมช่วยเข้าหน่อยนะเดี๋ยวเขาจะต้องทุกข์มากกว่าเดิมมันจะมันจะได้รับมีบางมากเกินไปแล้วไปช่วยสกัดหน่อยแล้วก็ช่วยให้คนดีไม่ต้องได้รับความทุกข์มากเกินไปแล้วก็ไม่ช่วยไม่ให้คนชั่วนั้นต้องเลวร้ายมากปกว่าเดิมถ้าเราทำได้แล้วก็ไปช่วย จริงๆเนี่ยถ้าเราจะไม่เป็นช่วยเนี่ยมันจะมีกรณีเดียวนะที่ไม่ไปช่วยเนี่ยคือมันเข้ากรี๊ยุกจะเล่าใจจิตใจให้ฟังนะถ้าเข้ากริยุกเราจะไม่ไปช่วยเข้ากรียุกเราจะไม่ไปช่วยเพราะว่าเข้ากรียุกเนี่ยคนชั่วมากกว่าคนดีเรารู้ไปช่วยก็ตายเปล่าไม่ไปทำครับพอในกรียุกี่นจะไม่ยันนัดปฏิบัติธรรมออกไปช่วยหรอกนะจะอยู่รูใครรู้มันพอออกไปกระตายเป่าเขาก็่ายเปล่าเราก็ตายเปล่าดูเขาฆ่ากันเอดีกว่า ดูพวกฆ่ากันตายเองนะันก็แล้วไปเราไม่ไปช่วยไี่ไปทําแต่เมื่อไรที่คนดียังมีปริมาณยังมีฤทธิ์ที่มากอยู่ในสังคมนะในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคนดีก็จะออกไปรวมกันไปช่วยกันไปช่วยกันนะพุทนี่เขาจะทํางานอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติว่าคนดีสามารถที่จะกดดันคนชั่วนะให้ออกไปจากสังคมได้เขาจะทํา แต่ถ้าไม่สามารถกดดันคนชั่วให้ออกไปได้นะเขาก็จะปล่อยให้คนชั่วครองเมืองแล้วตัวเองก็จะแยกไปอยู่ไหนก็แล้วแต่นะไปทำของตัวเองไปแต่เป็นอย่างนั้นคือต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยพุทธิจะต้องรักษาตัวเองให้ปลอดภัยนะแม่จะไม่กลัวตายก็ตามจะต้องรักษาหมู่ใหญ่ให่ปลอดภัยจะต้องเป็นอย่างนั้าประมาณแล้วเฮ้ยตอนนี้คนชั่วกําลังเยอะเลยเอาห้เองครองเมืองไปเลยเอาไปเลยข้าไปแยกกับเองเรามากกันไปปล่อยเลยแล้วเราก็ไปทําเมืองของเราเองจอยู่มั่งมั่ไม่แมงของเราอยู่เพงน่ะ เดี๋ยวเขาฆ่ากันตายเองเขฆ่ากันตายเองแล้วก็มาคองเมืองแล่วป็นะกนคนชั่วไม่ทาอะไรหรอกเ้มันฆ่ากันเองย่งกันเองเดี๋ยวมันก็ดับเนี่ยเอเองแต่หดดับเนี่ยศูนย์พันดับเนี่ยเภาษาอังศูนย์พันเนี่ยวมันก็ศูนย์พันเองศูนย์พันเราได้ชนะนี่ใกล้กับยุคหนนะคนดีไม่ต้องไปทำลายคนชั่วเลยแล้วนะเพราะว่าทุกยุคเไม่ทำลายอยู่แล้วแต่ธรรมชาติจะทำลายธรรมชาติจะทำลายกันเองตัววิบากเขาจะทำลายเาเอง พอทำร้ายเขาเองเขาก็ตายเองอเขาก็เดือดร้อนเองอะไรเองนะั้นสุดท้ายเราก็ชนะผลือแต่เราเขาตายหมดชนะโดยไม่ต้องรบเนี่ยเราจะชนะโดยไม่ต้องรกอันนี้ก็เป็นอะไรเราถึงจะฟัง น, นะเราเราแหมเราธรรมะกนันนีอไม่ใช้เราเลยกันเมืองนงะเราทํามาให้ฟัง แล้วคอที่มีธรรมะก็จะไม่เครียดนะเราไปไ ป, ไปผมไปผมก็จะไม่เครียดนะไม่ทุกข์ไม่กังวลอะไร <N> เห็นหลายคนลุ้นเกิดออกทีว่าเกิดออกสีว่าเกิดอะไรไอเราทำไมทุกข์ส่วนะเพราะว่าเร า, เ ร, า, เ ร, ารู้ว่าเราเป็นลุ้นผลไม่ได้ไงแล้วก็ทําเหตุไปภาคเตียนไปภาคเตียนไปแค่เตียนทําเหตุทําความดีของเราไปภาคเตียนไป แต่แล้วผลไม่ได้เท่าไหร่ก็บาบุญข้งโลกไม่ทุกอะไรกับโลกโลกมันเป็นบาปเป็นบุญั้งโลกทําไปที่ก็ได้ไปถ้าที่มันได้ดีที่สุดที่มันไม่ได้จริงก็โยนให้โลกโยนให้โลกก็ไม่ชุกอะไรก็เลยไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ชุกอะไรกับไปกันไปตรง น, นั้นไปตรวจจิตตัวเองว่าเรายินดีที่จะทํำไหมแล้วเราทุกไหมหลายคนความดันขึ้น ความดันขึ้นเพราะเพราไปไปกู้ชาติคาดันขึ้นเพราะว่าเรายังปฏิบัติธรรมได้ไม่ถึงถ้าเราปฏิบัติธรรมถึงแล้วเราจะคําดันไม่ขึ้นมันจะไม่ครขึ้นตายก็ทำหน้าที่เบินบ้านจำสายตายก็ตายอยู่ก็อยู่นะอยู่ก็ทําหน้าที่ตายก็เกิดใหม่ไม่มีอะไรนะผลนั้นเท่าไหร่มันก็เป็นบารมีทั้งโลกทําเต็มที่กันผลนั้นเท่าไหร่ก็บารมีทั้งโลกเขาก็ปล่อยไปปล่อยไปนะเราก็ยังไม่ทุกข์เลยและจริงการรบที่ไม่ใช้อาวุธนี่แหละคือการรบที่กล้ า, าหาญที่สุด การรบที่ไม่ใช่อาวุธคกรัรรบที่กล้าหาญที่สุดคนต้องจิตใจจิตวิญญาณสูงจะทำได้นะโอ้แล้วไม่ตอบโต้แม้แต่ น, นิดเดียคือสุดยอดของกล้าหาญเราได้ไปฝึกจิตยิ่งคนไปนั้นได้ไปฝึกจิตผมว่าโอ้โหสุดยอดเลยเพราะท่านบอกร้อยปีไม่ได้มีทีหนึ่งนะโหหายากนะที่จะได้บำเพ็ญอย่างนี้นนะ อนะไม่ง่ายหรอเราได้มีโอกาสได้ฝึกเออรบแบบไม่ต้องใช้อาวุธมันสุดยอดจริงตายเป็นตายนะแล้วมันเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดถ้า ถ, ถ, ถ้าเราไม่ใช้อาวุธมีนเป็นชทอันที่แท้จริงแต่ถ้ะเทอที่แท้จริงคือเราไม่เข็นฆ่าเขาชนะต่อความอามันหิ้วโหดตายของเราเราไม่เราไ ม, เาไม่เราไม่มีใจอามัหิ้วโหดตายเป็นฆ่าใครนี่คือชัยชนะที่แท้จริงและพอรบเสร็จเราก็ไม่ได้อะไรแถมถูกด่ายต่างหากนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริง เอ้เราก็ไม่ได้โลบกดลงอะนรใช่ไหมเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอ่ะนะมันได้เสียสลัดเต็มเต็มเลยมันก็ทิศสุดใจที่เสียสลัดเต็มเต็มถ้าเราเอาสิ่มันหน้าอายแพ้แพ้ถ้าเราเอาลา่าด้วยเสน่หลนั่นเราแพ้แพ้อะไแพ้หลกักแพ้ยศแพ้เสน่ห์เราแพ้แล้ะแต่ถ้าเราไม่เอาอะไรเนี่ยโรคเสร็จแทบถุกยายนั่นือว่าประบรสบความสําเร็จประบรสบความสาเร็จวันนี้ก็ยังด่าเลยเลยบางคนแต่ว่าผระสบควารสําเร็จนะลบแล้วไม่เอาอะไร ไม่เอาลาบไม่เอายศ้วยไม่เอาสารเสด็จอะไรชนะความเห็นแก่ตัวชนะความโลภความโกรธความหลงในตัวเราไม่ได้ชนะคนอื่นหรอกชนะโซเนียตัา่างหากอันเนี้คือสุดยอดในสัจจ์สุดยอดในสัจจ์เราสามารถที่จะเอาชนะความโกรธไม่ไปเทียนฆ่าคืนเอาชนะความโลภความหลงของเราได้ไม่ไปก่อกลัวอะไรอันนี้สุดยอดที่สุดนี่คือสุดยอดในสุดยอด เอาไว้เอาไว้โน่นเไว้อีกนะอีกห้าร้อยปีอีกห้าอยปีหรือจริงๆเนี่ยภาคการเมืองใหม่เขา ย, ยังไปไปเท่าไหร่ล้อในภาคการเมืองใหม่ก็ได้ดีประมาณนึงแหละก็ต้องอาศัยไปแต่ความจริงยังไม่ใช่ถึงที่สุดหรอกถึงที่สุดเนี่ย ร, รัฐมนตรีหรือว่าสอสอต้องไม่รับเงินเดือนนี่คือสุดยอด รัฐมนตรีสาสาสาหสสนายกต้องไม่รับเงินเดือนในสุดยอดให้ชาวบ้านเลี้ยงไว้ทํางานฟรีชาวบ้านเลี้ยงไว้นี่คือสุดยอดที่สุดคอยดูอย่าพึ่งตายอีกห้าร้อยปีอีกห้าร้อปีคุณว่ า, จ, าจะมั้ยอีกห้ารปีจะมีจะมีพัฒนาไปนะมันต้องระดับพระอนาคามีหรือพระอรหันต์ไปเป็นนักการเมืองพัฒนาไปเรื่อยๆเราพัฒนาคุณธรรมไปมันจะมีคนได้ภูมินาคามีคนได้ภูมิอรหันต์ตรงนี้เขาจะไม่หลงไหลในลาภและสารสนิทวันนี้จะเป็นนักการเมืองที่ชั้นยอดไม่โกง แต่ถ้ากัรเมิองที่มุ่งมาจนมุ่งมาจนกล้าจนนะพวนี้ยเขาจะไม่เอาอะไรหลอกมีเงินบาทหนึ่งก็อายจะตายแล้วอีกบาทหนึ่งอายอขึ้นสลึงอายอายอาอาไปพวนี้จะอายไม่อยากจะเก็บเงินเดพอองไว้พวกนี้ไม่เก็บไว้หรอกแล้วพวนี้จะมั่นใจในกุศลของตัวเองว่าตัวเทำฟรีนี่ไม่ตายไม่ไม่ไม่ตายทำฟรีนี่จะมีคนเลี้ยงไว้แล้วเขาก็กินน้อยใช้น้อยเขาไม่เอาอะไรคนนี้จะไม่มีกามไม่มีเกิด น, นั่นและกีก5 0าร้อยปีห้าปีคอยดูนะเออคอยดูไปเยมตายไปก็เกิดใหม่เฮ้ยแค่ขาชาติเองแปบเดียวไปเกิดไปเกิดห้า้อยปีอีก5ชาชาเองไม่ไม่ต้องพูนั่นแหละจริงๆนะนี่พวกเรายังมีพักก็เลยว่าพักเพื่อฟาดินนะพัพวกเราดีวยกันนี่แหละจะมีนโยบายว่าอย่างนี้แหละคนจะไปเป็นสอสอที่ต้องไม่รับเงินเดือน ไอ้ชา บ, บ้านเลี้ยงไว้ใส่ไปเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกต้องไม่รับเงินเดือนไอ้ชา บ, บ้านเลี้ยงไว้จริงๆนี่เขาเรียกว่าการเมืองอรารยธรรมแทๆ้ๆรับรองเลยคนที่มุ่งมาจนจะไม่มีวันโกงคนที่มุ่งมาจนจะไม่มีวันโกงแก้แก้การโกงนะโอ้ยนี่มันก็มีช่องออกอยู่นี่นั่นแหละนะแก้ที่จิตของคนที่ไปทํางานจบทั้งหมดจบทั้งหมดมันจะมันจะแก้การโกงได้ มันจะเป็นไปได้นั่นเองมันจะพูดเล่นนะครูบาอาจารย์ก็บอกมันจะเป็นไปได้นะจะเป็นไปได้มันจะพัฒนาไปเรื่อยเนี่ยการเมืองหมายจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยจนสุดท้ายจุดไปได้จุดนั้นไม่แน่ครูบาอาจารย์บอกอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้หวางไั้แต่มันถ้ามันลงตัวอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้น่จะได้เห็นนะอาจจะได้เห็นอั้งดอันนั้นไว้นะเออเล่นเอูดเล่น พูดเรื่องธรรมะหนึいい่งคือ <poner> ว <le Luther> ่าพูดเรื่องอันนี้เราพูดเรื่องอัตมาณะขอยกเว้นสองข้อไปถึงนู่นได้เลยสองข้อก็คือข้อที่หนึ่งกาเด็กไรเดงสาเเด็กไรเดงสาเราก็ต้องจําเป็นต้องบังคับเราก็ต้องบังคับนะส่วนข้อที่สองคนที่เร็วเกินไปนะจะต้องกดดันออกก็กดดันออกไปกดดันออกไปอย่างนั้นแหละ อ๋อทีนี้มาดูโลกกระทำ ม, มันก็เกี่ยวข้อกับโลกกระทำ ม, มาแหล้นะมันไม่ไปเกี่ยวกับกันโลกกระทำนี่จะเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่เราพูดมาในเป็นอัตตามนนะะที่เราพูดมาจังวลในเป็นอัตตามนักโลกกระทนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งที่จะทําให้มนุษย์ทุกทุกทั้งกายทุกทั้งใจแล้วทําให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยเจ็บป่วยทางใจเจ็บป่วยทางกายโลกกระทำแปดเคยได้ยินไหมมีอะไรบ้างลากยศตัลลังเสรนโลกียสุเสื่อมลาบ เตลยมยศนินทาทุกจะมีอยู่แปนี่ก็เรียกว่าโลกกระทำแปดมนุษย์เกิดมาส่วนใหญ่จะตกอยู่ใต้อํานาจโลกกระทำแปดตกอยู่ใต้อํานาจพวกนี้แหละแล้วก็ถูกพวกนี้เวี่ยนไปเวียงมาเบี่ยงไปเวียงมาทุกไปทุกมาทุกไปทุกมาเลี้ยวสิเลี้ยวทุกอะไรพวกนี้จะถูกเวียงไปเวียงมาทุกทรมานกับพวกนี้ผมจะพูดประเด็นนั้นประเด็นของ อ่าลินทากับสารเสริญก่อนนะเอาตรงนี้มันสําคัญแต่พอกลเรื่องอะไรไม่เท่าไหรหรอกไนอะ้ลินทากับสารเสริญ น, นี่ชีวิตเราจริงๆแล้วจะต้องได้รับกันแทบทุกคนผมไม่าดตัดไว้นะใครเกิดมาบนโลกนี้ไม่มีใครหนีคําสารเสริญค น, นไม่มีใครหนีคํานินทากพนนะขณะพระพุทธเจ้าเนี่ยถามจริงๆนะเคยได้ยินไหมว่าพุทธเจ้าสูกดา เพื่อคนมาด่ามาว่าเคยได้ยินไหมเคยอ่านในประวัติไหมโอ้คนมาด่ามาว่ากันนะเพื่อเจ้าเองก็มีคนยินทาคนดา่าคนว่านะแสดงมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกนะคุณคิดดูสิแ็จ<ม>แล้วเนี่ยถามว่าพระเจ้ามีคนเคารพบาปไหว่ชื่นชมไหมโอ้เยอะแยะเลยนะคนเคารพคนบไหว้คนชื่นชมคนสรรเสริมมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกก็มีทั้งสองอย่าง อาบรรทุกที่เลวที่สุดในโลกเนีวสุดเลวสุดเลวสุด เ, ดเร็วยิ่งกว่ า, 70, าเจ็ดเมื่นสองันมัเดีวแฟนๆเขจะน้อยใจเร็วกนั้นก็ได้ <c oughs> เออเร็วกวนั้นก็ได้เร็วสุดเร็วสุดเวสุดเวคุณว่ามีคนชมไหม <c oughs> มีมีคนชมรู้ไหมใครชม กกัเองแหละลูกน้องโจนนะกับเพือออ่อนโจนเก่งว้ยโกงเก่งป้นเก่งขี้เก่งโอ้โกงต้เป็นแสน ล, ล้านไม่ได้เข้าคุกเลยอลยเนี้ก็วางไป โ, โ, โกงมันก็ได้อไม่ใช่คนนีก็ได้เออตะเลงั้นเลงี่ก็โอ้โหใครจับไม่ได้อะไรไม่ได้ก็วางไปนะนี่เปคนชมกันนะฟิ้มือดีฟิ้มือดีเขานั น, น <S <S ถามว่า ม, มีคนด่าไห โอ้โหไปดิลล่แสนดิลลาลาดาทั้งบางเมนะืองเนี่ยก็มีอ่ะเร็ว ส, สุดเร็วุเรวก็มีทั้งคนชมมีทั้งคนดา่าไปทำไมาดาถ้าร่าีไม่เร็วเกินไม่ดีเกินเลยนะกลางกางเขแถวนี้นะเคยถูกด่าบ้างไหมแต่ <c oughs> <c oughs> ถูกตำหนิบ้างไหม เ, เคยได้รับคำชมบ้างไหม ได้ใช่ไหมไม่มีใครหนีพ้นเลยใช่ไหมธรรมชาติอ่ะจะเป็นมนุษย์หน้าไหนก็ไม่มีใครหนีพน้นหรอกเป็นสัจจะนะจะไม่มีใครหนีพน้นหรอกนะคุณทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีทัานคนชมเราทั้งคนติเราเป็นสัจธรรมดานะทำไปเช่นบางคนนะโอ้ไปช่วยคนค น, นี่นยเราไปช่วยค น, นคนหนึ่งมีคนชื่นชมโอ้ดีนักเขาเสียสละไปช่วยคนมีน้ำใจอีกคนนึงบอกว่านทําอนหน้าทําอนหน้าใช่ไหมคนสามารถมองเราได้แบบไหนก็ได้จะมองได้ทุกรูปแบบนะครับ เรือบงทีปิดประตูดังปึ้งเฮ้ยทาใส่ลองทาใส่ลองบางคนเห็นคนเิเประตูดังปึ้ง <laughs> โอสงสัยขากลัวมไม่แนนะเขาเลยปลี่ยนใช่หมอะไรงีใช่วหามันคิดได้หมดแหลนะ่มันคิดอไดก็ได้คนเราอ่ะนะเมนะคุณทาอะไรอันหนึ่งก็จะมีคนว่าเราคนติเราทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งชั่ว น, น, นี้เป็นสัจจ์ที่อยู่บนโลกืนะอผมมันใหญ่มันญไปอย่างงี้นะบางคนก็บอกเออดีนะได้ประโยชน์แต่นะี่มัหงืนมีความสุขที่ฟังบางคนก็บอกนึกแล้วไม่ไปเมื่อยมันง่าย น, นั่งอะไรเยอเ อะไรบ้างนะเลก็จะมีจะมีคนว่าแต่กั้นยังเงียบนเออไม่ว่าโดยปากก็หวานในใจนะเออเราก็ต้องยอมมันะก็ต้องยอมให้เขาว่าเราไม่รู้ทําไงก็ต้องมีทั้งคนติคนว่าเราทั้งนั้นแหละนะเดี๋ยวดีทั้งคนติคนว่าเราก็ต้องยอมรับงบเราก็เออเตรียมตัวรับ ว่าต้องมีทั้งคนที่ชมเรามีคนทั้งว่าเราเป็นสัจจะ ต, ตอให้คุณทำสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีก็ตามบนโลกมีเท่านี้แหละนะก็จะ ม, มีทั้งคนว่าเราคุณไปกินจืดหนึ่งนะบางคนเขาก็ชมนะเออแล้วนะดีแล้วกินอาหารสุขภาพนะบางคนก็เห็นหูยุ่ยงยาก อะไรเงี <idée> <téléphone> ้ยจูดไปกินกับเองได้ให้ไปกิกับคุณได้อะไรก็ว่าไปนะก็จะมีเท้านั้นแหละคุณกลับไปก็จะมีคนติคนว่าเราทำอะไรก็จะมีเรื่องเราเหล่านี้ทั้งสองตัวแม้เรื่องเดียวกันนะครับอันนี้เป็นสัจจคที่มีจริงอยู่บนโลกนะครับแล้วตอนนี้นี่ถ้าเรารู้แล้วว่าเอาละไม่มีใครหนีพ้นแล้วเราจะสู้มันอย่างไรประเี็นสาคัญอ่าเขาจะสู้กับมันอย่างไรเมื่อไม่มีใครหนีพ้นครับเพราะว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่นี่จะเอาชีวิตไปแขวน ไว้กับขิ้ปากคนนี่แหละอาชีว S <S ิตแขวะไกับความรู้สึกคนถ้าเราไปแขวะนบ้างนะโอ้โหทุกตายเลยแขวะไปแขวะมาบางคนเนอะไปเห็นเขาไปเห็นคนคนนึ่งก็บอกเอ้ยทาไมคุณอ้วนจังนั่นน่ะเขาก็ไปทำตัวเองให้ผอมนะอีกคนนึ่งมาเจอทักเฮ้ยทำไม้อมจังเขาไปทําอให้อ้วนแต่เรามีคนทักสักพันคนหมื่นคนจะเป็นยไงโอ้โหเจ้าคนเจ้าคนเคนจะแบ่งยังต้องไม่รู้ท่าไหไใช่ไหม ชีวิตเราไปแขวนไว้เราที่ปากคนเนี่ยมันจะแขวนหน้าดูแล้นะชีวิตเฮียไม่รู้ชีวิตจะอยู่ไปยังไงนะมันจะทุกข์ทรมานมากเลยถูกเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาด้วยขี่ปากคนด้วยความรู้สึกของคนแล้วชีวิตควรจะแขวนไว้กับอะไรชีวิตควรจะแขวนไว้กับความมั่นคงความปลอดภัยความผาสุขในชีวิตเราสิแขวยมว้ตรงนี้แล้วจบแขวนไว้ตรงนี้ไม่ขาดทุนแขวยมว้ตรงนี้กําไร ทำลายล้นล้วนนะไปไม่กับความมั่นคงปลอดภัยผาสุขในชีวิตเรา ถ้าเราอ้วนแล้วพลังชีวิตดีแล้วก็อ้วนต่อไปนี่เป็นไรเลยนะยกเว้นเขาพูดมาถูกจริงนะเราลดลงนะเรแลดลงนะไปนะแหมอ้วนแล้วพลังชีวิไม่ดีต่างหากอยู่มันก็ต้องลดลงนะตงลลงนนะแต่ถ้าอ้วนแล้วพลังชีวิตดีอยู่ก็มาเป็นไตไปสอนเขาพูดใครละคงมาตรงนี้แหละมันดีของมันละมันผอมลงแล้วเคลียอยีกต่างหากนะเครียรด้วยมันก็ไม่เอานะหรือถ้าผอมแล้วรู้สึกพลังชีวิตดีนะก็ผอมมันต่อไปเป็นไรไม่ต้องไปยากอ้วนหรอกนะ อยู่ในจุดที่เราพลังชีวิตดีที่สุดนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเราสูงสุดชีวิตไม่ต้องไปแข่งไปกับอะไรแต่เราก็ทําให้อยู่ในจุดที่มันมั่นคงปลอดภัยผาสุขที่สุดนํามันจะไม่ทุกข์อะไรทีนี้ถ้าเรารับคําชมทีนี้นะจะเอาประเด็นคนําชมเราจะสู้กับคำชมยังไงทําไงจะไม่หลงคําชมนะทําไมเราจะไม่หลงคําชมเพาหลงคําชมมันกระทุกข้มกันครูบาอาจารย์สอนไว้ว่าให้มันไาตรตองผลเสียของคําชมให้ได้ ว่าคาชมมันมีผลเสียอย่างไรอ้าวใครที่ว่ามีคนเจงไงมั่งคำชมเวลามีคนชมมากๆยอมรัมากๆจะเป็นไงอหลงตัวหลงตนใช่ไหมยิงยาโสโอหังะหลงตัวหลงตนะคนที่ได้รับคำชมมากๆก็หลงเลยนะโอ้โหจะยิงยาโสโอหังทํำท่ากลางๆวี่นดิวุ่นะีน่าตึ๊ก มัน้าเตะน่าเคกับบานคุณเดเดี๋ยวก็โดนเข้านะเดีวก็โดนเคกับบานเข้านะแล้วมันก็ทําท่าที่ไม่เรียบร้อยไม่เข้าท่าเข้าทางการวันดีวันดีทํำท่าที่ไม่เข้าท่าแล้วคนที่หลงคําชมมากๆเนี่ยนะะได้รับคําชมมากๆคนแล้วคนที่หลงเนี่ยหลงคนที่ได้รับคำชมมากๆมั น, น, มมนจะไม่ค่อยจะฟังใครไม่อยากจะฟังใครพวกนี้มันจะปิดประตูเลยนะไม่ฟังใครไม่ฟังคนที่ หลงตลงตว่าจะไม่ฟังคนที่ติจริงเราตัดเตือนเราชี้ข้อบกพร่องข้อเสียหายของเราเขาจะไม่ค่อยอยากจะฟังคนเนี้ยพอไม่ฟังพวกเนี้ยถามว่าเขาจะได้แก้ไขข้อบกพร่องข้อเสียหายของเขาไหมก็ไม่ได้แก้ใช่ไหมพอไม่ได้แก้ข้อเสียหายข้อบกพร่องยัน อ, อยู่ของเขาไหมก็ยังอยู่ความเลวยังอยู่กับคุณความไม่เข้าท่าความเสียหายก็ยงอยู่กับคุณเหมือนเดิมถ้าคุณไม่ฟังคํำติคําจริงของเขาแล้วคนที่ได้คําชมเยอะๆนะมักๆมากๆเลย เวลาได้รับคำตินะคนหลงคำชมมากๆาเขาจะเกลียดคำติพอได้รับคำตินิดเดียวเท่านั้นแหะคุณเ อ, อ๊ยยิ่งก็หมัดคุกเข้าไปลากลางเลยเสทะแ ท, ท, ท, ท, ทะแทะเลยนะพี่ไสซสันจะบอกเสะแท ะ, ทะ เซฟไม่เป็นท่าเลยนะจริงๆเซฟไม่เป็นท่าเลยแหละไอ้พวกได้รับคําตัำราเสร็จต้องมามากๆก็ลองไปติีสินะโอ้ไปขึ้นแลยหล่ะนะใครพวกมึงกโลงโอ้โหมันจะออกอาการเลยแหละนะจะออกอาการเลยพวกเนี้ยจะทุกข์มากเลยนะจะทุกข์มากเวลาได้รับคําติได้รั็คำตีนิดเดียวเจ็บจนเป็นจะตายจะจริงๆเลยนะโอ้โหจิ้มก็ไม่ได้ระดองใจเจ็บพราะจะเจ็บยังไงเลยนะ ถ้าใครไม่ล้างเนี่ยเราบันระวังนะคเนี่ยโอ้ไม่ถคนชมไม่ถคนชมโดนตีนิดเดียวจะเป็นจะตายเอาอันนี้มีจริงในโลกนะครับหน้าตัวมันจะเจ็บมากทรมานมากถ้าเดินตัดจาาในโลกอ่ะไม่มีใครนี้คนคําตินะตอนที่ผมได้รับคำชมมากๆคักวันหนึ่งผมก็โดนตีอยู่ดีนั่นแหละมันจะมีองค์ประกอบปั้งขึ้นมาแล้วก็หนรกยิ่งกว่านรกเจ็บยิ่งกว่าเจ็บทุกยิ่งกว่าทุกมันไม่ดีแล้วเราคำชมมากๆก็น่ากลัวเน่ากลัวลงมากๆก็น่ากลัวตรงนี้ เคยได้ยินไหมพกี่บายอนเขาจะเาทำงานนําไปเอาตายเลยเคยได้ยินไหมโอ้ยทำงานเป็นบา้าเป็นหลัก <c oughs> แล้วก็เกินเกินพอดีทำงานเกินเกินพอดีจะป่วยไหม ป่วยนะทำไมเกิดพอดีก็ป่วยนะถเรามาไม่สบายนะหรือบางคนจะโทษโทษนะของของหลงกาหลงสารเสื่อเนี่ยบางคนต้องไปยืมเงินยืมของคนเยอะมายืมมาเยอะมาเพื่อจัดการจัดงานให้มันดูดีอะให้มันให้มันคนชื่อนชมอะคนสรเสื่อน่ะแล้วพอคนมันจะตามสารเสื่อถึงห้า้อยปีไหมแล้วมันมันก็อาหารอร่อยมันก็พูดวันหนึ่งสองวันสามวันก็เลยพูดแต่นี่สินที่คุณเป็นน่ะฮะเป็นไง แก่ของสาวันหมดไหมมันไม่หมดเนะ่าโหแล้วมาทุ ก, กับนี่กับสินเยอะแยมากมายเลยเนี่ยโทษของการหลงสารเสพนะทำบางทีก็ทาให้เราเป็นหนี้เป็นศินนะจะเอาหน้าเอาตามก็ทุกทรมานนะพวกนี้แล้วแค่อยากได้คําชมเนี่ยก็ทุกแล้วต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในการแสวงหาคําชมก็นเฮ้ทุกทรมานอย่างนั้นอย่างนันอะไรทุกทรมานคนไม่ชมก็ทุก คนชมก็ฟุ้งคนไม่ชมก็ทุอย่างนั้นแหละคุณคงแค่คาดอย่างนั้นแหละนะชีวิตก็เท่านั้นเท่านะคก็เป็นอย่างนี้มันทุกข์มันทรมานยิ่งถ้าใครได้รับคําชมหรือคําสรรเสริญมากๆมากๆมากๆคนยอมรับมากๆมันก็มีผลเสียเยอะเหมือนกันนะถ้ารับคําสรรเสริญมากๆเนี่ยถามว่าคนจะอยากมาหามากไหมคนก็อยากมาหามากใช่ไหมเพราะเป็นคนดังใช่ไหมพอคนมาหามากๆคุณจะได้พักไหมคุณก็ไม่ได้พักเพาคุณไม่ได้พักคุณจะตายไหม อ่าไเลือหลอกไปเลือนหลอกนะแต่ก่อนผมก็นึกไม่ค่อยออกนะเป็นยังไง <c oughs> ยังไม่เคยออกเั่าไหล่พ <c oughs> ระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าโลกกะทาเป็นอันตรายแสบเผ็ดแม้กระทั่งพระกีนาสง <c oughs> พระกีนาสงคือพระอรหันตะ์เราเราก็มงุจ้าทำไมบอกพระอรหันต์ท่านไปหลงสารเสริจแล้วนะท่าไม่ท่านยังมาเผ็ดกับโลกกระทำดูอีกนะแต่ก่อนก็นึกไม่ค่อยออกหรอกนะมันยังไม่ค่อยดันเท่าไหรนะ่แตนี้ฉันจะดังด้บาลีนิดหน่อย มันชาสุดนะวันนี้เราก็จะนอนพอเรากันนะโอ้มช่วยหนอยวจะตายแล้วจะตายแล้วมันก็มาแหกขี้ตาบเางเหนื่อยงั้นเราก็อยากพักตกันนะเาวันนี้บรรยายเสร็จเราก็อยากไปห้องน้ำกันโคุยอ่ะอไรยังง้โอ้ชีวิตวชีวิตเราเอาเอาชีวิตตัวยี อะ oh, ไรโอ้แต่ก็เห็นใจเขาด้บยเขาก็ทุกนเขาก็ทุกเขาเห็นเราุกมวนนะเราก็ทุกเหมือนกันนะเขาก็ทุกเราก็ทุกนะตายคนเดียวตายน ช่วยเขาเลยก็เห็นใจเขาก็เห็นใจเขาเลก็อ่านเรนเราทนเราช่วยเขาไปทนไม่หวก็บอกเขาฟอวฟัวล่จน้ตา เออฉนกไม่เข้าใจว่าเกิดยังไงไม่เข้าใจเดยัเออรักโทรศัพทก็รักจะพูแชฉะนั้นไม่ได้โทรมันติติดป๊อปไปนี่ยตอติดปปถ๊อต้ปเนยโอ้ตาตาตาเรื่องโอ้นึกถ ในถึงลงปู่แล้ถ้าเป็นกองดังก็เป็นคนดังอย่าหวังความสงบต้อเป็นคนดังอย่าหวังกองสงบโอ้ยใครเกิดชัดไหนชัดไหนอยากจอยากเป็นคนดังเงี้ยแตก่อนเนี่ยโอ้ยอยากดังสมัยก่อนอยากดังไม่จะดังไหมสมัยเราปฏิบัติธรรมเราเริกอยากดังอ่ะโอ้โหอะไรมาก็ไม่รู้นะตอนอยากดังไม่ได้ไม่จะดังนะตอนไม่อยากดังก็จะไปอยู่ในรูนะโอ้ใครเป็นคนังก็ไม่รู้ชีวิต เออนอนมันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดชาว้านวลกก็ทำไปเออันตรายแถบเผ็ดม้กระทํ่มาขี่นาศพนะเนี่ยสมมติว่ามีใครตาพระองคนงเขป็นพระอรหันนะแล้วคนก็รู้ท่านเป็นพระอรหันใช่ไหมพอรู้พวกนี้ก็ขอมากาบท่านแล้วนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแม้กรนั่งให้กาบก็พอนะพระอรหันตาหตายมนะมันเผ็ดจริงๆผมไม่เเข้าใจพระอรนายพระรันตแค่หมดกิเลสแต่ก็เป็นคนธรรมดานี่แหละหิวมันกันทุกมันกันง่วงนอนมนกัน แล้วธรรมาดา แ, แค่ทําไมมีทุกข์ทา้ไม่มีทุกข์ใจนะแต่การท่้ก็ต้องทุกตมามธรรมดานี่แหละทาไม่ได้นอนทักท้องทุกขนะ์เป็นธรรมดาดเลยนะตายเลตายเข้าใจแล้วว่าจะเผ็ดยังไงนะหรือถ้ายิงถ้าคนเคารพสาท่านมากใช่ไมของาก็ถวา้เยอะท่านจะปววกัของไหมอลองเลยปวดไปไวไหนว่า ไ, มไวาไ ม, ไามีเวลามาสอนคนไหม มีเวลาสอนคนเราเนี่ยมามึนหมปวดเพราะตัวของนั่นแหะนะเผือลูกศิษย์ทะเลาะ ก, กันพของมอ <g nat> <nat> นมาถวายกัก ด, ดกันนี่ปวดเพราูการมณ์ดีๆคือมันจะเผ็ดจริงๆเผ็ดจริงๆนะหรือพโมคคัลาเลนี่ยเนี่ยดังมากพรโมคคลาเอาเหินเดินดินได้ดำดินได้ได้อะไรได้สรรวพันะมีฤทธิ์มีเดชมากๆเนี่ยเรื่องความดังมากๆเนี่ยเชื่อไหมครับครูบาอาจารย์บอกว่าความจริงพระโมคคัลลาตายส่วนหนึ่งก็พระโลกระท ที่ตายส่ว น, นึงแน่นอนลอราพรอโบการาเคยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเมื่อปางก่อนนั่นก็ใช่นะครับเมื่อปางก่อนนั่นก็ใช่แต่ว่าวิบากอันหนึ่งก็คือโลกกระท ม, มากไปโลกกระท ม, มากเกินไปดังเกินไปเสร็จแล้วพวกดีลัตีและอิจฉาอิจฉาลิธิยาก็เลยลิธิยาก็เลยเห็นว่าไอ้ท่านดังอย่างนี้มันดึงคนมานับถึงหนาพุทเยอะก็เอยอยากฆ่าท่านก็เลยพากันมาฆ่าท่านครูบาอาจารย์บอกนันเนี่ยมันเผ็ดนะ ท่เห็แต่ด้วยด้วยพระโมคคัลลานี่ท่าเป็นความจริงเนี่ยมันเป็นวิบากอันหนึ่งของของการเล่นฤทธิ์เล่นเดชมันเป็นวิบากของวิ์ของเดชฤทิด เ, เดชต่างๆเนี่ยมันจะไม่พาบรรลุธรรมแต่มันจะพาภัยเข้ามาหาตัวเองมันจะพาคนที่อยากได้อะไรมาเอาเราจะดังเกินไปอะไรเกินไปนะคนก็เศิลยานี่คนดังมากๆคนก็เล่ิษป์ยาแล้นศิลปยาก็ได้ศัตรูง จะไปอยางดังเลยนะศัตรูเยอะเลยวมาแต่ร้องคอฆ่ากันอะไรต่างๆนะมัดังแข่งกันแล้วก็ฆ่ากันศัตรูเยอะมันดังมากาไม่ไหวศัตรูเยอะนะครับ <c oughs> น่ากลัว <c oughs> นั่นแหละ น, ะ, นะแต่ว่าพระโมคคลานี่ท่านครูบาอาจารย์บอกว่าบอกว่าพระโมคคลาท่านเป็นท่านเป็นพระโพลิสัตถ์ท่านจะบำเพ็ญโพลิสัตถ์ต่อ ท่านยอมไม่โจนห้าร้อยค่ะท่านที่จะห่อนี้ได้นะท่านหอนี้ได้ตลอดเลยแต่ข้าบค้าตายท่านจะต่อละก็มาใหม่แล้วก็ห่อไปอีกนะท่านมีฤทธิ์มากขนาดนั้นสับเป็นเป็นห้าร้อยชิ้นท่านก็ต่อตัวเองก็มาได้ก็ห่อไปอีกไม่มีปัญหาอะไรนะท่านก็ทอย่างเงี้ยท่านจะหอนี้จนกว่าท่านปรินิพานก็ได้ท่านมีฤทธิ์ขนาดนั้นแต่ท่านไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าท่านจะต่อบริษัทมีครูบาอจารย์ท่านจะต่อบริษัทจะต่อบริษัทก็คือว่ายังไงก็ต้องมาเกิดออยู่แล้วก พอต่อโตสัตว์ต้องเสียสละถ้ามีวิบากเก่าต้องโดนถ้ากุศลไม่มากพอที่จะไปตั้งไว้ก็ต้องโดนครับด้วยวิบากกรรมที่แรงในอนันตริยกรรมนะค่าพ่อค่าแม่นะอนันตริยกรรมกรรมหนักนะมันไม่ใช่ละลายง่ายกรรมหนักแต่ด้วยจิตวิญ ญ, ญาณของท่านที่เป็นพระโพลิตสัตว์ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญช่วยมนุษย์ชาติต่อท่านยอมถูกฆ่าตายยอมใช้วิบากเพื่อที่จะพอตายเสร็จก็ชาติหน้าจะได้น้อยลงท่านยอมยอมให้มันใช้ไปแล้วเพราะว่า พราว่าท่านจะไปบำเพ็ญช่วยคนต่อไงไหนๆก็ต้องโดนอยู่แล้วนะต่อให้ไม่โดนชาตินี้หอนี้จนจนตายไปนะชาตินหน้าต้องโดนอยู่ดีสุดีโดนแกแกแล้วนะข า, าไปก่าใครไปโดนตอนหนุ่มๆมันไม่ไหว <c oughs> โดนโดนแก่จะตายอยู่แล้วโดนไปซะโดนโดนเรียบรอก็ใช้บิบากไปแล้วก็จะได้ไปเกิดใหม่ออไปเกิดใหม่ก็จะได้ไปบําเพ็ญต่อไปช่วยคนอื่ต่อเนี่ยเป็นเป็ักษณะของพธธระโพธิสัต์คือจะยอมใช้บิบาก ทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นสามารถสูญได้จะปรินิพานก็ได้จะไม่มาเกิดอีกก็ได้หนี้วิบากได้หมดเลยเนี<ค>่ย<ณ>พระบริสัทธ์ที่หน้ากาบไหว้ามากเลยนะทาั้งที่ตัวเองเนี่ยหนีวิบากก็ได้แล้วมีวิชานี้วิบากแล้วไอ้จิตหลงทำมาสมัยไม่ได้ปฏิบัติทำอะสมัยไม่รู้เรื่องอะนะะ<ค><ณ>โอ้จะนี้วิบากก็นี้ได้แล้วไม่ยอมหนีไม่ยอมไม่ยอมสูญแต่ด้วยจิตเมตตา มหาสงคราที่คุณมีเมตตามากจนช่วยมนุษยชาติก็กลับมาบําเพ็ญต่อจึงยอมใช้รีบาร์นั้นครับนั่นเป็นอาชินตานะนั่นแหละครับอันนี้ก็เล่าเลาเนี่ยถ้าเราใส่จองนะใส่จองเรื่องเรื่องอโลกธรรมเนี่ยถ้าเราใส่จองว่าคําคสรรเสริญมันมีผลเสียอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ฟูไปกับ ไปกับคำสรรเสริญเวลาคนว่ามาปุ๊บแต่ก่อนจะอู้นะแตถ้ามันรู้ชัดแล้วอื่นๆโอ้โหมันแสบเมันแสบเพนะมันจะไม่ฟู ม, มันจะธรรมดาธรรมดาจยทําทให้ธรรมดาเราจะไม่ฟูคำสรรเสริญแต่สรรเสริญมาเราก็สบายใจนะ กินดีเบิกบานจําายที่เราอยู่เหนือสารเสริอมันไม่ฟูไปสบายเป็นสุขอยู่ที่ไม่หลงสารเสื่อยู่เป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าการยอมรับกันสารเสริอไม่มีประโยชน์นะมันจะมีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกันเราก็ต้องเลือกใช้พอหมาะเช่นถ้าคนยอมรับเราสารเสริอมยอมรับเราศรัทธาเราเขาก็จะมาเอาสิ่งดีๆจากเราสมมุติอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทําให้มันมีประมาณหนึ่งแต่อย่าให้มันมากเกินไปเกินเกินแรงเกินแรงมันก็จะแย่เอา น้อยไปมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ขยายอะไรเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะให้มันประมาณนึงประมาณนึงเื่อที่จะทํางานทาประโยชน์ให้กับสังคมได้ก็ถ้าใครจะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมก็จะจัดสรรให้ได้ประมาณนึงที่ไม่ให้มันมากไปแต่ก็ไม่ให้มันน้อยไปอาศายเขาทําประโยชน์ร อ้าวคำลินทาล่ะทีนี้นะมาดูมาเราเราจะสู้คำลินทาย่างไรวเวลามีคําลินทาเข้ามานคนั้นแล้วเซอรก็แบบนี้แหละท่านทายต้องผลเสียของมันท่านเลยเราเนืกออก่อเรามาดูคําลินทาว่ารไรนะเข้าใจผิดว่าคนว่าไราเราเข้าใจผิดเราะตัดเตือนเราติดติตตต่งเราเนี่ยเราจะสู้คำลินทาอย่างไรทำอย่างไรเราจะไม่เกลียดคํานินทานะ คนจะไม่เกลียดคำลินทาต้องหาประโยชน์ของคาลินทาว่าร้ายให้ได้คนลินทาว่าร้ายเนี่ยหรือว่าติงติงตัดเตือนเราหรือว่าเข้าใจผิดเรานี่นะจะเราจะมันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับตลอดจะสู้กับคนอย่านี้ต้องหาประโยชน์เขาให้ได้มากๆแล้วเราจะไม่เกลียดคําลินทาเช่นถ้าคนลินทาเรามากๆนะติงติงตัดเตือนเรามานะถูกข้อบกพร่องของเราพอดีเลย ถ้าเรารับฟังใช่ไหมเราก็ได้แก้ไขข้อบกพร่องข้อเสียหายของเราเมื่อเราได้แก้ไขข้อบกพร่องข้อเสียหายของเราใครได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ใช่ั้มข้อบกพร่องข้อเสียหายก็หมดไปเราได้แก้ตัวเองเราแค่ได้แก้ไขตัวเองนะหรือถ้าเขาติดจริงไม่ถูกล่ะบางคนบอกใช่ถ้าติจริงมาถูกนะโอ้ยินดีเลยที่จะแก้ไขตัวเอง